โอเคเราเริ่มเลยนะครับก็เรื่องแรกนะฮะสำหรับเรื่องตัว System นะครับคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อว่านะครับบางคนบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องแผ่น Q Q แบบเต็มตัวเลยเนาะอันนี้ตองก็ต๋ก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นผมผมคงไม่ไม่อธิบายแล้วนะให้ไปดูในคลิปนะครับผมทํำอุปกรณ์ทำคลิปต่างๆทำสื่อต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะอยากให้ทุกคนไปดูในนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย อยากจะให้ทุกคนเข้าใจกัน่อว่าตัวเพจคิวคิวนะครับเราอ่ะกำลังอยู่ในช่วงของเวลาที่มันกำลังแบบวอร์มอ่ะคุณไหมเข้าใจไหมคือพวกคุณเน่เป็นต้นสายต้นสายของโลกอ่ะพวกคุณกำลังแบบเล่นกับโซเชียลเ t w เ r ิร์ตัวเป็นเหมือนเอาไว้ง่ายถ้าวันนี้ในในช่วงต้นของ Facebook ที่มีเพื่อนเพื่อนของมาร์คซังเกอร์เบิร์กไม่กี่คน่ะที่เขาเล่น Facebook กัน่ะคุณก็เป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งของคุณโ อ, อมอ่ะที่ ที่มันแบบเพิ่งเพิ่งวอร์มมิง่ง น, นะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าออพอเวลาอะไรที่มันใหม่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาก่อนที่จะเปิดนะฮะก่อนที่จะเปิดา้าเบสนะเขาจะต้องลิสต์ปัญหาออกมาก่อนยนะอยูอ่แล้วว่าอ๋อจริงจรแล้วปัญหามันควรจะมีอะไรบ้าง1 2 3 4แต่พอเวลาเราออนไลน์กันจริงๆเนี่ยนะฮะมันก็มันก็ต้องบอกตามตรงแหะ ว, ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนกับว่า unseen เนี่ยคือปัญหาที่เราไม่เคยพบมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องปกติ ผมต้องบอกอีกก่อนนะว่าสมาชิกหลายคนอ่ะจะเข้าใจว่าผมอ่ะเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นหุ้นส่วนบริษัทไม่ใช่นะผมเป็นเหมือนเหมือนยูเซอร์ปกติเพียงแค่ว่าวันนี้ผมมาเข้าใจนะครับเข้าใจว่าเออคุณโอมทําคุณโอมทําตัวเพย์ทูคิวออกมาเพื่ออะไรนะครับมันสร้างไรายได้ยังไงแล้วแพลตฟอร์มคือแก่นของมันจริงๆมันคืออะไรนะครับคือผมเข้าใจผมก็พยายามสื่อสารตรงเนี้ยไปให้ทุกคนให้ทุกคนอ่ะได้เข้าใจ ว, าว่ามันคืออะไรนะครับจากนั้นเอาอย่างนี้ก่อน นะครับทุกคนต้องเข้าใจกันว่าเมื่อเมื่อนเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีบ้างผมไม่ใช้ว่ามันมีบ้างที่ไม่ได้สวยหรูคือคุณอาจจะเข้ามาอยู่ในยุคสมัยของการที่แบบเริ่มต้นจริงๆฮะมันมีทุกปัญหาเลยครับเช่นปัญหาที่ผมเห็นเนาะสวัสชิบหลายท่านก็หนึ่งใช้งานไม่ได้โพสไม่เป็นสมัครไม่ติดนู่นนี่นันน่นนะฮะจิตบาตฐะลืมแอปอ่าลืมอะไรนะลืมก๊อฟรหรัสลืม แนบสลิปไปแล้วก็แบบไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องบอกอยเีว่ามันเป็นปัญหา s t ต n d านนะครับที่ทุกคนเนะี่ยผ่านไปหมดแล้วแหละตั้งแต่ช่วงนผมก็ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่านะตอนนี้คือคือผมเนะี่ยก็แก้ไขปัญหาได้เหมือนกับที่ทุกคนแก้ไขนะก็คือเช่นแนบสลิปไม่ติดทำไงก็แนบใหมนะ่แจ้งไปที่ตัวแอดมินที่ที่เซ็นเตอร์แล้วก็ทำใหม่อรอ่งให้ทุกคนแต่ก็พยายามพยายามช่วยให้ทุกคนนะฮะสามารถทำงานง่ายขึ้นนะครับทีนี้เอาอย่างนี้ก่อน นะครับสำหรับตัวซิสเต็มเนี่ยมันหน้าตาคือคุณต้องเข้าใจอย่าว่าพอมันใหม่เนี่ยนะฮะมันจะมีลักษณะนี้คือคุณต้องเข้าใจระหว่างตัวซิสเต็มกับการทำงานเนาะเออตอมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ตัวซิสเต็มของเราเนี่ยนะครับมันต้องแบ่งเป็นนี้ก่อนว่า เหมือน Google เนาะผมใช่ไหมว่าเหมือน o o เกิลเลย Google เนี่ยนะครับคุณรู้ไหมว่าเขามีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวทั่วโลกเยอะมากนะมีเป็นหลักแสนตัวได้เลยมังทั่วโลกนะครับทีนี้ผมต้องบอกอย่างน่นว่านะเวลาเรา ก, กดเข้าไปในเว็บไซต์เ co. th เนี่ยมันก็จะติดเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยเนาะเพราะมัน co. th ใช่ฮะทีนี้การกดเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ได้ไปติดเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวนะครับมันมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวมันมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวเียผมเขียนเป็นกลมๆแล้วกัน มันมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวฮะซึ่งเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนตัวกระจายโหลดนั่นแสดงว่าถ้าวันนี้มีกลุ่มคนนะฮะกลุ่มคนเปิด www google.com เนี่ยบางคนเนี่ยเขาเปิดมามันก็เข้าเครื่องนี้บางคนก็เปิดมาเข้าเครื่องนี้บางคนก็เปิดมาเข้าเครื่องนี้บางคนก็เปิดมาเข้าเครื่องนี้ซึ่งเนี่ยครับการกระจายโหลดทําให้ทราฟฟิกอ่ะทำให้ทําให้การทํางานอ่ะมันไม่ติดขัดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับสําหรับตัวเพจค q วนะครับมันก็เหมือนกันนะครับเพีียงแตต่่วาณอนน้ นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่มันถูกกระจายเนี่ยนะครับสมมุติคนเล่นเนี้ยเซิร์ฟเวอร์เราก็มีหลายตัวนะครับมีประมาณ20่สิกว่าตัว24 25ตัวได้มั้งตอนเนี้เพื่อรองรับเพื่อรองรับคนมันจะถูกขยายไปเรื่อยๆเซิร์ฟเวอร์ถูกขยายไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แบบจบอยู่แค่นี้ขยายไปเรื่อยรองรับสมาชิกไปเรื่อยนะครับคุณดูนะว่าวันนี้คนน่ยกดเข้าไปในสมัครตอนนี้คุณโอมอ่ะเขายังไม่ได้กระจายโหลดสําหรับหน้าสมัครเวลากดทุกคนน่ยผมใช้ว่าทุกคนเลยนะ ทุกคนกดเข้าสมัครปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียววิ่งเข้าตัวตตัวเดียวทุกคนวิ่งเข้าเนี้ยวิ่งเข้าเนียวิ่งเข้าเนียวิ่งเข้าเนียทำไมมันถึงเวลากดสมัครไปแล้วบางคนแบบไอ้ตัวสปอนเซอร์ ID มันเป็นการการะบาดต้องรีเฟซสอครั้งถึงจะได้เนี่ยฮะเหตุผลนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยทัฟฟิกมันไม่เยอะใช่ไหมทัฟฟิกคือข้อมูลนะฮะที่กดเข้าไปพอมันไม่เยอะปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็สามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ติดสมัครง่ายๆหรือว่าช่วงที่แบบคนใช้งานน้อยๆมันจะโอ้ยสมูทมากแล้วเร็วมากแต่พอเริ่มคนเริ่มใช้งานเยอะๆมันก็จะเริ่มติดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าทําไมเราถึงต้องกระจายโหลดเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันถูกแบ่งออกไปเป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นเครื่องแบบนี้เวลาเรากดสมัครไปเนี่ยมันจะได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับโอเคไหมฮะสำหรับเรื่องตัวกระจายโหลดทีนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ก่อนครับคุณต้องเข้าใจเหมือนว่าวันเนี้เวลา เวลาทัฟฟิกมันวิ่งไปเครื่องเดียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบนี้เหมือนถนนตรงเนี้ยสี่เลนน่ยถนนสี่เลนถนนสี่เลนเนี้ยเปรียบเสมือนข้อมูลแล้วกันแต่ตัวเนี้ยคือช่องทางให้มันผ่านไปเวลามันวิ่งมามันก็จะมันกระจุกอยู่ตรงเนี้ยกระจุกอยู่ตรงเนี้ยครับบางคนน่ยแนวสลิปก็เด้งออกเพราะว่าข้อมูลมันกระจุกเนมันดันดันๆัดันเข้าดันเข้าดันเข้าดันเข้าปุ๊บบางตัวก็เด้งออกบางตัวก็แนงไม่ติด แต่ถ้าใครแต่ถ้าใครเป็นเขาเรียกว่าเป็นมวยเนาะเป็นมวยเนี่ยจะชอบแนบสดิปตอนช่วงที่ทัฟฟิกน้อยเช่นประมาณเที่ยงเที่ยงอ่าคนไปทำงานเล่นไม่ได้ประมาณสิบโมงเช้าหรือประมาณบ่ายสองบ่ายสองบาอง่บายสามนี่ฮะก็คือว่าท a ฟฟิกมันจะไม่เยอะเพราะว่าคน เ, นเล่นน้อยทีนี้ผมต้องให้เข้าใจก่อนว่านะครับของเราอ่ะมันเป็นแบบแฮปปี้ปรบ l ล m มนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือการทำงานของเรามันเป็นแบบลักษณะของ l e v e อ l e v e l เลหมายถึงว่าตัวเราอะ่ะมันขยายไปแบบทวีคูณเนี่ยแสดงว่าทุกๆคนเนี่ยมีการทวีคูณมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่เซิร์ฟเวอร์เวลามันรองรับเนี่ยมันรองรับแบบซิงเกิลน่คือมันยังน้อยอยู่อะ่ะเราก็เลยจำเป็นต้องขยายให้ให้ให้ซัพพอร์ตกับการทำงานของพวกเราเพราะว่าตอนเนี้ยเราเล่นเกม 2-2-2 กันใช่ไหมพอเล่นเกม 2-2 งสองุเนี่ยโอ้โหระเบิดรเดนะเบ้อมากนะครับ นั่นก็กลายเป็นว่าอย่างนี้ฮะเห็นเห็นไหมโอเคเราเห็นแล้โอเคสมาชิกบอกว่าไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใอ๋อโอเคใครใครไม่เห็นบ้างนะฮะคือเราทํางานแบบเลเวอเรจอะพอมันเลเวอเรจปุ๊เนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันรับไม่ทันข้อมูลมันแบบเยอะมากเยอะมากจนรับไม่ทันนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงแบบต้องต้องขยายเซิร์ฟเวอร์ะฮะซึ่งการขยายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะ ผมต้องบอกเห็นว่าตอนที่ผมอ่ะเข้ามาทําใหม่ๆอ่ะตอนที่ยังไม่เจอทุกคนเนาะผมบอกเลยว่าหลังจากผมโอนเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะอันนี้อันนี้ผมให้ให้ใหดูประวัตินี่กัอนเอ่อคุณโอมเนี่ยตอนที่เขาทามาเนี่ยมันมีแค่ความคิดเพจคิ Q อ่ะสร้างขึ้นมาปุ๊บอ่ะมีแค่หน้าโฮมอย่างเดียวเลยมีแค่หน้าโฮมเลยนะโพสต์อะไรไม่ได้เลยโอนเงินก็ยังไม่ได้ด้วยมีแค่หน้าโฮมจากนั้นเอาข้อมูลมาใส่ ให้สมัครได้สมัครมียูเซอร์ได้นะฮะมันเป็นเจนแบบนี้นะหลังจากสมัครเป็นยูเซอร์ได้เริ่มมีระบบบัลเลตระบบเงินนะมนผมมา ช, ช่วงนี้ช่วงนี้ไอสัปดาห์แรกเนี่ยสสัปดาห์แรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอยู่ผมมาช่วงนี้พอดีช่วงกําลังอัพระบบบลัลเลตพอดีโอนเงินเสร็จปุ๊บเว็บแม่งปิดเลยปึ๊บปคุณภาพผมรู้สึกไงโอนเองเินไปหนึ่ันปุ๊บเปิดเข้าไปเว็บเปิดไม่ได้ อันนี้คือแบบปิดเลยจริงนะปิดไม่ให้เข้าเลยนะกด w w w บเ q. c บเคือเข้าไม่ได้นะอันเนี้ยผมก็เลยโทรไปคุยกับคุณมาทิสากับคุณโอว่าเอ้ยเนเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงปิดนะฮะเพราะเราก็เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับผมไม่ได้เคยได้รู้จักกับคุณโอว่าคุณมาิามาก่อนผมต้องบอ ก, กี้ก่อนนะครับอ่ะมันปิดวอลเปิดเพื่องี้ฮะคือแต่ก่อนเนี้ยระบบวอนะ่ะมันยังไม่เสถียร น, นะครับเขาก็เลยมาทาระบบวอ l ให้มันเสถียรโดยการตัดสินใจ เนียให้มันจ่ายเงินแม่นยำนะฮะคือรับเงินแม่นยำแล้วก็จ่ายเงินแม่นยำนะครับอ่าใน2วันนะครับนั่นหมายความว่าณนะตอนเนี้ยถ้าใครสังเกตดูอะระบบวอลเล็ตมันจะแม่นมากนะครับคืออย่างน้อย 99% น่ถ้าถ้าเซ็นเตอร์เน็ตเน็ตแบบไม่กระตุกจริงๆณนะตอนนั้นหรือว่าไม่ผิดพลาดทางการเงินจริงๆเนะี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็เข้าอนะคือคุณโอนแนบสลิป48ชั่วโมงแล้วก็คุณถอนเงินออกมาจากในจอ ว, วอลเล็ตเนี่ย ครับ48ชั่วโมงเงินไม่เกิน48ชั่วโมงเงินต้องเข้าบัญชีกูเลยตัวตัว wallet ตอนนี้ผ่านแล้วนะครับทีนี้มันก็กลายเป็นอย่างนี้หลังจากที่ตัว wallet เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมาทําระบบนี้ฮะระบบการโพสต์ตอนนี้ทุกคน post กันหนักมากวิ e เดือนที่แล้วประมาณ2ล้านกว่า v i e ได้ไหมรวมกันทั้งหมดมาจาก t r a ฟ f i c ข้างนอกล้วนๆเลยฮนะนั่นหมายความว่าตอนนี้ฮะไอช่อง v i e เนี่ยช่องพสต t เนี่ย ตอนมีช่วงหนึ่งที่เขาปิดไปไม่ให้โพสต์อยู่น่าจะอยู่ประมาณช่วงประมาณสองสามสัปดาห์ที่แล้วบางที่ไม่ให้โพสต์นะฮะไอตอนนั้นเนี่ยโอมเขาไปกระจายโหลดตรงนี้แหละ <Okay. S 1> กระจายโหลดหน้ารับโพสต์หมายความว่าวันนี้มันมีเซิร์ฟเวอร์รองรับตัวโพสต์ตัวเดียวใช่ไหมแสดงว่าเวลาทุกคนโพสต์มาทราฟิกมันก็จะวิ่งมาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวนะฮะตอนนี้โอมเขาเพิ่มตรงเนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเวลามันส่งข้อมูลน่ยมันส่งขึ้นไปบนคาวที่สิลูกบเลยลส่งไปเลยนะครับที่สิลูกอบอเลสเลยนะทีนนีี้้ออย่่างกน นะครับไอตัวโพสตเนี้ยนะฮะเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นเพราะว่าคนเน่ยเราขยายมากขึ้นคนก็โพสตมากขึ้นจริงไหมพอมันถูกโพสต์มากขึ้นโพสมากขึ้นโพส์มากขึ้นทัฟฟิกวิ่งเข้ามามากขึ้นมันเลยทําให้ตรงเนี้ยแย่งกันพอมันแย่งกันมันกระจายมานี่ไม่ได้นะฮะมันกระจายมามันก็ยังไม่พอใช่ไหมพอมันกระจายมาไม่พอนะฮะมันก็ต้องมาขยายเพิ่มอีกนะครับทีนี้การขยายเพิ่มจึงจําเป็นต้องณตอนเนี้นะฮะคือต้องปิด ปิดก่อนเพื่อที่จะขยายอ่เดี๋ยวผมคุยให้ฟังตนี้นิดนึงนะฮะคือคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่านะครับการปิดเนี่ยปิดปรับปรุงเนี่ยบางคนเน่ยเาคือบางคนเน่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆอาจจะคิดว่าปิดเว็บอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปิดปรับปรุงนะปิดปรับปรุงเฉพาะแค่นะครับช่วงโพสอย่างเดียว แสดงว่าคุณสามารถเปิดเข้าไปใน w w อร์ไวยเว็บได้นะครับแล้วคุณก็สามารถสมถัครสมาชิกได้นะครับสมัครได้สมัครได้นะครับแนบสลิปได้แนบสลิปได้นะครับถอนคิวได้แต่โพสไม่ได้โอเคไหมที่โอมเขาขึ้นใน Wallet ว่าในในเว็บว่าอะไรนะเดี๋ยวนะฮะผมเปิดดูแป๊บหนึ่ง นะครับโอ้เดี๋ยวนะให้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยถ้าทุกคนกดไปที่ช่องเพจเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโพสไม่ได้ใช่ไทุกคนเห็นไหมไม่เห็นนะไม่ไม่เป็นไรทุกที่ที่ทุกคนเปิดเข้าไปในช่องเพจแล้วมันขึ้นอะไรเนี่ย เนื่องจากแอดมินมีความจำเป็นต้องบิดระบบโพสเพื่อแบ็ k อัพข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเนี่ยนะครับคือมันเป็นลักษณะนี้ฮะเวลาเวลาเราจะเตรียมการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเตรียมอย่างนี้ก่อนว่าเออคุณคุณต้องเข้าใจก่อนว่าว่าเหมือนเหมือนคุณเล่นเกมอะ่ะเหมือนคุณเล่นเกมเลยนะแล้วเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงอะ่ะนั่นหมายความว่าคุณเข้าเกมไม่ได้เลยจริงไหมถูกต้องไหมฮะหรือว่าปิดปรับปรุงจริงอะ่ะก็คือ ปิดอะแล้วแบบเข้าไม่ได้เลยอะเหมือนตอนที่ผมบอกว่าเขาปิดปรับปรุงตอนทอํา Wall ็ตอะแต่ทีนี้ฮะผมเลยต้องผมเลยต้องแจ้งว่าคุณโอมคุณโอมปิดแบบนั้นไม่ได้น ะ, ะเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเรามาันเยอพอเยอะแล้วเนี่ยทุกคนเน่ยเสรติดเพจ q ิเส ร, ต, เ ร, เสรติดกันการใช้งานแล้วก็เสรติดของการขยายนะฮะผมใช้คำว่าเสรติดนะไม่เั็มคุณลองถามตัวเองดูก็ได้นะสมาชิกเก่าๆคุณตื่นเช้ามาคุณทําอะไรก่อนน ะ, ะตอนนี้คุณไม่ได้เปิดเฟซบุ o กนะคุณเปิด q ิว ว่าคุณมีคิวเท่าไหร่แล้วในระบบแล้วคุณก็อยากสร้างคอนเทนต์ใจจะขาดด้วยคุณก็จะรู้สึกหนุดห ง, งิดด้วยเวลาที่คุณนะ่ยแบบสร้างคอนเทนต์แล้วแบบมันไม่ได้หนักใจคุณเป็นไหมถ้าคุณเป็นสแสดงว่าคุณเสร็จติดเพลคิวๆแล้วนะครับสแสดงว่าเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเออเวล า, าปิดปรับปรุงเนี่ยปกติมันต้องปิดทั้งเว็บเนาะแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นจะต้องเปิดบางส่วนเพื่ออะไรฮะเพื่อให้คนน่สบายใจ ว่าเงินของเขาไม่ได้หายไปไหนคุณลองนึภาพไปดีนะปิดโพสเนี่ยเขาไม่ได้ปิดทั้งเว็บนะบถ้าวันนี้คุณกดเข้าไปใน w ว็บเพจ e q dot com แล้วคุณยังสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วคุณยังสามารถถอนเงินออกจาก wallet ได้แสดงว่าเว็บไม่ได้ปิดนะครับบางคนบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเว็บก็ปิดคุณไปเอาข่าวที้มาจากไห น, นะฮะผมบอกเลยมันไม่ได้ปิดนะฮะมันเปิดปกติเพียงแค่ว่าเขาปิดปรับปรุงในส่วนของการสร้างคอนเทนต์แค่นั้นเองนะตอนนี้คือปิดปิดส่วนสร้างคอนเทนต์นะ่ย ปิดส่วนคอนเทนต์นะฮะแต่ส่วนอื่นเปิดเหมือนเดิมนะครับคุณดูดีๆนะถ้าปิดคือปิดหมดแต่อันเนี้ยคือเปิดปกติแต่ปิดปรับปรุงแค่ส่วนนี้โอเคไหมฮะอ่ะทีนี้ทำไมมันถึงต้องมาปิดตอนเนี้ยคือจริงๆอ่ะเราวางแผนว่าจะปิดตอนวันที่13กับ14นะครับแต่เนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยเล่นเกม 2-2-2 ไปพร้อมกันใช่หมแล้วก็นะฮะทุกคนคือแบบทำแบบทวีคูณมาก คุณรู้ไหมว่าตอนนี้บัญชีของเซ็นเตอร์มีเงินเข้าทุกนาทีซึ่งมันน่าตกใจมากตรงที่ว่าคือมันไม่ปิดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นคนจะสมัครไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าไอตัวโพส์ดคุณดูนะตัวโพส์มันก็เป็นหน้า a s h บ o a r d ตัวหนึ่งใช่ไหมตัวสร้างเพจมันก็เป็นหน้า a s h บ o a r d ตัวหนึง่งคือตอนนี้ทุกคนน่กำลังแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโพสกับตัวสมัครผมพูดผิดนะฮะ โพสกับตัวสมัครนะครับตัวสมัครเนี่ยกับตัวโพสเนี่ยมันเป็นรัสบอร์ดที่มันลิงก์ถึงกันนะนั่นหมายความว่าวันนี้มีคนเข้ามาสมัครมากๆากมากมามันทำให้มันทำให้แบบแย่งทราฟฟิกกันอ่ะคือแย่งเข้าหน้านี้กันอ่ะพราะแย่งเข้าปุ๊บโพสต์ช้าใครที่สังเกตดูดีๆนะเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาที่โพสต์มันแบบอืดอัอ่ะที่บางคนโพสต์ติจฉขัดอ่ะมันเป็นเพราะสาเหตุนี้ยคนสมัครเยอะเกินไป คนสมัครเยอะจนน้าตกใจที่เซนเตอร์ทํางานไม่ทันเพราะคนสมัครเยอะมากนะครับคือถ้าทุกคนมองออกเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแฮปปี้ปรร๊อปปี้ปเมนะมันเป็นมันเป็นปัญหาที่แบบเป็นปัญหาเทียมที่แก้ไขได้แล้วเราก็รู้เลยว่าเราเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ไม่ใช่ก้าวกระโดดด้วยผมใช้คาว่าบินเลยละกันนะฮะคือนะครับเอาเป็นว่าให้ทุกคนสบายใจได้ว่าเงิน1000ของทุกคนน่ยไม่ได้หายไปไหนนะฮะอยู่แน่นอนเพียงแค่ว่านะตอนนี้เขาแค่ปรับปรุงแค่นั้นเอง แสดงว่าอย่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะคุณน่ยจะสามารถสมัครได้ปกตินะครับส่งลิงก์สมัครให้เพื่อนได้ปกตินะครับแนกสลิปได้ปกติแอกสลิปนะสลิปปกตินะครับอะไรกันออถอนคิวอถอนคิวออกจากวอลเล็ตได้ปกตินะครับคุณดูนะคุณโอมเ่ยเขาพยายามให้เราอะสบายใจมากเลยนะเพราะว่า ต่อให้เขาปิดสักที่หนึ่งอ่ะเขาก็ต้องเปิดอันหนึ่งไว้ก่อนเพื่อให้คุณเข้างานได้แต่คุณดูนะครับวันที่13กับ 14, 14นี้อ่าสิกับ14นี้อ๋อไม่ใช่14 13ถึง15บหนะฮะสิถึง15นะครับเขาจะปิดคุณฟังให้ดีนะครับเขาจะปิดระบบสมัครนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถส่งลิงก์สมัครคนใหม่ได้คุณไม่สามารถสมัครคนใหม่ได้เข้ามาใน ในในตัวยูเซอร์นะครับสมัครไม่ได้นะครับสิบสามถึงสิบห้านี้สมัครไม่ได้แต่คุณสามารถเข้าไปที่หน้าดัชบอร์ดคุณได้ถ้าคุณมีเงินคุณสามารถถอนเงินได้ถอนเงินได้แล้วผมกําลังจะจะให้คุณโดมเขียนตัวโปรเซสของมันสักตัวหนึ่งที่สามารถให้คุณเนี่ยเข้าไปดูหน้าเพจของคุณได้คือเข้าไปดูหน้าเพจแต่ ไม่มีช่อง c r e เ t e ครับคือไม่ให้สร้างเพจใหม่ไม่ให้สร้างคอนเทนต์ใหม่แต่ไปเอาคอนเทนต์เก่าๆคุณน่ยแชร์ได้เพื่อสะสมยอดวิวแบบนี้ทุกคนโอเคไหมนะฮะคือเข้าไปาได้ดัชบอร์ดได้ล็อกอินได้เว็บไม่ได้ปิดนะฮะปิดแค่ตรงช่องสมัครคุณเข้าไปในหน้าดัชบอร์ดได้คุณถอนคิวในวอลเล็ตคุณก็ได้นะครับแต่คุณน่ยไม่สามารถสร้างสร้างเพจใหม่ได้แต่แชร์เพจเก่าๆได้โอเคไหมแชร์คอนเทนต์เก่าๆของคุณได้นะครับแบบนี้นะในวันที่13บสถึงสิเมื่อ เซิร์ฟเวอร์วันที่ 13- สถึงสิบห้าปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่จะหายไปนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับสิ่งสิ่งที่พัฒนาแล้วกันสิ่งที่พัฒนาขึ้นนะฮะพัฒนาขึ้นหนึ่งนะครับคุณจะมีช่องนะครับสังเกตไหมว่าเวลาที่ทีมงานเราสมัครอะ่ะเขาชอบลืมแคปหน้าจอหรือลืมจดรหัสสมาชิกไว้อันนี้เรื่องข้อที่1เลยนะครับ เออมันจะมีแบบนี้ฮะมันจะมีระบบติ๊กแบบนี้สมมุติว่าคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะสมมติกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะกรอกดูดูดมาเนี่ยช่องสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะกดไซต์อัสมมตินี่เป็นปุ่ม Si ต์อัพนะไซต์อัอ่าก่อนกดเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่ให้คุณติ๊กแบบนี้ก่อนนะครับหน้าจับประมาณนี้นะแล้วเขาก็จะเขียนว่าอย่าลืมแคปหน้าจอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ทําให้คุณไม่ลืมแคปหน้าจออะโอเคไหมแบบนี้ นะครับทำให้คนเน่ยก่อนที่จะกดไซอัพเขาต้องติ๊กข้อนี้ก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนสื่อสารคือตัวนี้แหละคือต่อให้มันมีติ๊กตรงนี้นะคนเชื่อไหมก็มีคนลืมอยู่ดีลืมแคปหน้าจอเพราะฉะนั้นนะฮะอยากให้ทุกคนนะครับช่วยสื่อสารด้วยว่าหลังจากกด Signup เสร็จแล้วนะครับให้แคปหน้าจอ T ีตัวเองด้วยนะฮะที TH ตามด้วยรหัสของตัวเองด้วยนะฮะแล้วมันจะไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็นะฮะข้อที่2นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือช่องเอ่อช่องรหัสนะฮะรับ2ก็คือแนบสลิปนะครับช่วงแนบสลิปนะครับแนบสลิปจะไม่มีขึ้น no image แล้วฮะแล้วก็ไอ้จอดำดำอ่ะจอดําๆนะครับสตัวนี้สมมติว่าคุณแนบสลิปปุ๊บเนี่ยเป็นสลิปที่ถูกปุ๊บเนี่ยจะเข้าไปที่เซ็นเตอร์ได้เลยเขาจะปรับปรุงตรงนี้ใหม่นะครับ อ่แล้วก็ตัวที่3ามนะครับรหัสสีส้มรหัสที่ไม่แอปพูฟรหัสที่ไม่แอปพูฟคือรหัสที่ไม่ได้จ่ายเงินน่คือถ้าคุณดูในผังองค์กรนะคุณจะเห็นอยู่ว่าวันนี้บางคนเน่เขาก็กดสมัครตรงเนี้ยหลายรอบแล้วมันก็จะมีหลายรหัสจริงไหมแล้วเขาก็จะเลือกใช้รหัสสักตัวหนึ่งใช่ไอ้รหัสที่มันไม่ได้ใช้ครับจะถูกตัดทิ้งนะครับในวันที่ 13-15 นี้ น, นั่นหมายความว่าเมื่อมันมีการตัดทิ้งพวกเนี่ยมันจะมีการจัดเรียงลำดับของสายงานนะครับขึ้นตามโครงสร้างเดี๋ยวอันนี้คุณโอ้มจะเป็นคนจัดให้นะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับรหัสที่ไม่ได้ใช้จะถูกตัดทิ้งทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าคนที่สมัครมาในช่วงของวันที่1 2 1 1เถึงเนี่ยนะฮะคุณต้องรีบแนบสลิปโดยพันนะฮะ แจ้งมาที่ตัวผมก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะส่งให้คุณมาริสาเพื่อให้แนบสลิปให้ทันวันที่13ก่อนที่ระบบจะปิดนะฮะเพราะไม่งั้นรหัสที่ไม่มีการแลกคูุ๊บเขาจะหายไปนะครับคือนะฮะ บ, บางคนบอกว่าการปิดตรงนี้ปิดหน้าโพสต์คอนเทนต์เนี่ยทำให้เสียโอกาสในการที่จะทํางานหรือเปล่าผมบอกเลยไม่เกี่ยวน่ถ้าคุณมองหองจริงเนี่ยคุณจะมองหองเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้ไปขายไอเดียในการที่แบบเขาจะต้องซื้อพื้นที่ไว้ก่อนแล้วอ่ะเพราะว่า ถ้าคนน่ยถ้ามองแพลตฟอร์มตรงนี้ออกจริงอะ่ะคุณจะรู้ว่าใครมาก่อนมันได้ก่อนจริงๆอะ่ะแล้วเขาก็ได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องขายนะครับในช่วงนี้ขายไอเดียขายไอเดียด้วยความมั่นใจด้วยนะฮะด้วยความมั่นใจด้วยนะฮะถ้าคุณไม่มั่นใจคุณขายไม่ได้นะครับไอเดียผมบอกเลยครับต่อให้มันเป็นหน้าเพจเฉยๆแล้วมันโพสต์อะไรไม่ได้นะถ้าผมขายผมก็ขายได้เพราะผมมั่นใจว่าเนี้ยมันจะไป คือสิ่งที่ทุกคนกลัวนะตอนนี้คนกลัวกลัวอะไรกลัวปิดหนีปิดหนีเพื่ออะไรนะรออกแบบมาเพื่อให้คนทําเงินนะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกกยเงิน<ช>แล้วหนี<ช> น, นะครับเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจก่อนว่าซิสเต็มมันได้แค่สเปนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเออไม่ไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวภาษีเจนะคุณจะรู้เลยว่า 90% ของเงินหมุนเวียนในระบบอะ<ช>่ะมันคืนมาที่<ช>ยูเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ฝากฝากให้ผู้นํานะครับแล้วก็ทุกคน นะครับสื่อสารไอ้เงิน 1,000 บาทของคุณให้ถูกต้องด้วยนะครับบางคนชอบบอกว่าบริษัทได้500ไม่ใช่นะฮะเพจ q q ไม่ได้ได้นะฮะเพจ q q ได้แค่ 3% ามนนะครับมาจนะฮะที่เหลือ 90% คืน User อนะฮะรไปที่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเราถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเสียภาษีนะครับฉะนั้นอย่างนี้ก่อนนะครับ ผมจะลืมแล้วว่าผมพูดว่าอะไรผมจะลืมแล้ว่าผมพูดอะไรเนาะออโอเคเออกลัวกลัวกลัวอะไรนะฮะคุณถ้าคุณกลัวแสดงว่าคุณเน่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎหมายคำถามคือว่าเว็บจะปิดไหมถ้าเว็บจะปิดแสดงว่าเว็บต้องไม่ไม่ถูกกฎหมายสิมันถึงปิดจริงหัหย ถ้ามันถูกกฎหมายแสดงว่าต่อให้มันมีการอัปเดต s ิสต e m มมันก็ไม่ปิดหรอกครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันต้องการให้คนทำเงินนะฮะมันจะปิดไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้กลัวๆอย่างนี้ก่อนนะฮะความกลัวจะไม่มีเลยถ้าคุณนึงคุณเข้าใจว่าคุณเข้าใจในเรื่องกฎหมายกฎหมายโอเคไหม เซิร์ฟโคบิดที่เป็นร่ากเง่าของเพจคินะฮะ บ, บริษัทของคุณโอมเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนตามแพงแ่งรับพันธุ์ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็สําหรับตัวยูเซอร์แต่ละยูเซอร์ของทุกคนนะครับเสียแหวะนะครับเดตามกฎหมายถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจกับว่าเรื่องกฎหมายนะครับถูกต้องนะครับทีนี้ผมต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจกันว่าณนะตอนนี้มันเป็นเหมือนเหมือนโคสเบต้าเราถ้าเล่นเกมมันก็เป็นโคสเบต้าเหมือนให้ทุกคนแบบ ทดสอบอ่ะแต่การทดสอบมันทําเงินได้จริงนะบางคนก็อย่างหลายๆเพื่อเพื่อนหลายๆคนของผมอ่ะที่เป็นทีมงานเขาก็ได้หลายๆหมื่นกันแล้วน ะ, นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะต่อให้มันเป็นในระดับของวอร์มอัพเนี่ยผมก็บอกเลยนะว่ายังไงมันก็ทําเงินอยู่ดีนะครับแล้วอีกหน่อยมันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะจนทุกคนอ่ะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนจะสามารถใช้งานมันได้ง่ายขึ้นมันจะเป็นโปรแกรมที่คนอ่ะใช้แมสได้เลยคือแมสเลยทุกคนใช้ได้หมดนะครับ โอเคทั okay. ้งนั้นผมให้ทุกคนมองอีกตอนว่าอย่าไปกลัวฮะถ้าเรารู้ว่าเพจคิวคต้นกําเนิดเป็นยังไงนะครับในเรื่องของกฎหมายด้วยอยู่ไหนๆอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําไว้ให้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์เรื่องของการตอบข้อโต้แยง้งนะฮะบางคนบอกมันเป็นกฎอะไรนะผิดกฎหมายลูกโซ่ดูนี่นั่นคนที่มาบอกแบบนี้กับผมนะผมบอกเลยคุณใช่สคบเปล่าคุณใช่การเงินเปล่าถ้าคุณไม่ใช่ผมไม่เชื่อคุณ เพราะว่าวันนี้ผมเชื่อสคบเพราะาสคบอบอกว่าของคุณถูกต้องทั้งหมดไหมทำได้ผมเชื่อสคบนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมาบอกว่ามันเป็นลูกโซ่เป็นมันนี่เกมผมบอกเลยคุณเป็นสคบอเพอราะสคบอบอกไม่ใช่อะ่ะก็การเงินบอกไม่ใช่อะ่ะผมเชื่อโอเคนะจบนะนะเคลียร์นะครั บ, รรนะรบแล้วการตอบคําถามต่างๆอยู่ในคลิปทั้งหมดแล้วนะครับเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่มาของรายได้นะครับเงิน1นึ่ันไปไหนนะฮะ บริษัทจะมีเงินจ่ายพอไหมนะครับหรือแว้กระทั่งในเรื่องของลักษณะของบุคคลนะครับต่างๆอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในบันทึกของกลุ่มที่อยู่ในไลน์ด้วยนะครับถ้าทุกท่านเข้าไปดูทุกท่านต้องเข้าไปดูในบันทึกนะฮะทำไว้ให้หมดแล้ว <pancakes S 1> <เอ>นะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องนี้ก่อนนะครับโอเคถ้ า, ถางั้นคุณไม่ต้องไปกลัวนะฮะในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็การสื่อสารนะฮะต่อให้ต่อให้มันเป็นในช่วงสมัครไม่ได้ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่หยุดทีมงานผมก็ไม่หยุดด้วยนะครับ อ่ะงั้นเอาอย่างนี้ก่อนนะครับกลับมาที่ความกลัวนะฮะส่วนใหญ่คนเวลากลัวกลัวอะไรฮนะคุณว่าเรากลัวอะไรกันเวลาเราออกไปเชิญชวนเพื่อนๆมาใช้งานตัวเพจคิวคเขียนมาเลยในคอมเมนต์นะกลัวอะไรกันนะขอดูหน่อยเดี๋ยวนะฮะมีกลัวอะไรบ้างนะครับนะแป๊ บ, บ น, นึงนะฮะไลฟ์สดอยู่ไหนไลฟ์เราอยู่ไหนหาไลฟ์ตัวเองไม่เจอนะฮะ กลัวอะไรกันบ้างฮะเบลดูให้หน่อยค่ะเพื่อนๆกลัวอะไรกันบ้างครับยังยังไม่กลัวเขายังไม่กลัวเขายังไม่เห็นกันใช่ไหมว่าต้องกลัวลกลัวโ ด, ดนหลอกค่ะกลัวไม่ได้เงินอกลัวโดนหลอกกลัวไม่ได้เงินอ่ามีใครที่ถอนเงินจากเพจคิวแล้วบ้างฮนะช่วยแสดงตัวหน่อยครับอยู่ในนั้นฮะมีไหมครับคอมเมนต์เลยครับใครที่ อ, อได้เงินแล้วถอนเงินแล้วมีทีมงานแล้วครับเงินเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วกดเอาวันซื้อของกินเรียบร้อยนะฮะคอมเมนต์เลยครับมีไหมฮะกลัวโดนหลอกกลัวเมียฮะกลัคว ค, วควนคนที่าโดนหลอกเลย กลัอนรอถอนแล้วค่ะกลัวเป็นลูกโซ่กลัวเป็นลูกโซ่มีอะไรไม่เป็นลูกโซ่มังครับในโลกนะไอ้ควาว่าลูกโซ่เนี่ยนะฮะทุกอย่างเป็นลูกโซ่หมดนะครับไม่มีฮะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีที่ไม่เป็นลูกโซ่ะฮะกลัวอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานนี่มาจิ้นเราสนะถ้ากับบริษัทมีกำไรแสดงว่าบริษัทต้องอยู่ได้ฮะแต่ถ้าบริษัทขาดทุนหรือจ่ายโอเวอร์พบริษัทจะอยู่ไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปเลยฮะ ท, ทุกคนลองพยายามอ่านในคอมเมนต์นะที่บอกว่าเนี่ยกลัวกลัวโดนหลอกกลัวอะไรพวกนี้ฮะกลัวเงินไม่ได้จริงฮะผมเลยต้องถามเลยว่าวันนี้มีใครมีใครได้แล้วฮะมีใครได้เงินแล้วถอนเงินออกมาใช้แล้ ว, ลวบ้างฮะถอนหลายรอบแล้วคุณดูดีๆนะไอาการไอาการที่กลัวไม่ได้เงินเนี่ยคุณต้องกลับมาถามตัวเอง่องแล้วว่าคุณทําตามเงื่อนไขของมันหรือ ย, ยังนะครับเงื่อนไขาการรับไรายได้ตอนนี้มีเท่าไหร่นะที่ยูเซอร์ปกติทําได้สี่ข้อใช่ไหม ข้อหคือแนะนำเพื่อนๆใช้งานใช่ไหมฮะคุณได้ค่าแนะนํา5ิใช่ไหมฮะคุณได้ยอดขายพื้นที่ 50% นะครับข้อ2นะครับก็คือ 1% 20่ชั้นนะครับข้อ3ก็คือเมื่อมีทีมงานของคุณที่เป็นแนะนําตรงนะฮะเขาถอนเงินออกมาคุณจะได้จากเขา 10% นะครับแล้วก็อะไรแบบข้อ4คือวิวคอนเทนต์นะฮะจ่ายจริงนะครับวิวคอนเทนต์ไม่ได้จ่ายเล่นนะฮะจ่ายจริงๆนะครับอ่า จะได้มากจะได้น้อยขึ้นอยู่กับเลทแล้วก็วิวของคุณนะครับกลัวโดนหลอกคราวนี้ผมกลับมาที่กลัวโดนหลอกก่อนคุณต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่าที่กลัวโดนหลอกอะเพราะอะไรเพราะคุณโดนหลอกมาเยอะแล้วใช่ไหมทํำไมคุณถึงโดนหลอกล่ะใครใครมาหลอกคุณได้ใช่ไหมคือจริงๆมันไม่มีใครหลอกคุณได้นะมีแต่ว่าคุณนะ่ยไม่รู้ไม่รู้จากการที่แบบว่าไปศึกษาข้อมูลมันจริงจอ่ะ วันนี้มันไม่มีใครมันหมดยุคสมัยของการหลอกกันแล้วครับมันมันหมดยุคสมัยของการที่ที่แบบว่าคนน่ยไปไปป้นเงินจากกระเป๋าอ่ะมันไม่มีแล้วฮะวันนี้เนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่ทุกอย่างมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณน่ยสงสัยอะไรนะฮะคุณสามารถสอบถามได้จากอะไรฮะพี่กูเกิลไงครับหรือแม้แต่กระทั่งนะฮะคุณสามารถถามได้จากผู้ที่เขาได้จากตรงนี้จริงๆเพราะว่าคําตอบมันจะเป็นข้อเท็จจริงนะฮะวันนี้สิ่งที่กลัว สิ่งที่คนกลัวนะไม่ได้กลัวโดนหลอกหรอกครับกลัวทําไม่ได้กลัวกลัวการปฏิเสธเวลาไปชวนคนกลัวการปฏิเสธฮะกลัวว่าเขาจะไม่ทํากับเรากลัวทําไมฮะเวลาเขาไม่ทํากับเราคําถามคือใครไม่ได้เงินก็เขาไม่เกี่ยวกับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอ่าผมกลัวเพราะไม่เข้าใจเดี๋ยวอะไรวะงงนะฮะกลัวนี่กลัวละเมิดลิขสิทธิ์เว็บอื่นอ่ากลับมาที่ ละเมิดลิขสิทธิ์เว็บอื่นก่อนนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์เว็บเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าของเราเนี่ยสมมุติว่าละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์เว็บต่อเว็บนีมันละเมิดลิขสิทธิ์ระหว่างยูเซอร์กับเว็บหรือยูเซอร์กับยูเซอร์เช่นตัวผมเนี่ยผมไปอ่านบทความของไอ้นายกอเนี่ยนายกเขียนไว้ดีมากเลยนะฮะผมก็เลยไปก๊อปปี้มาทั้งดุ่นเลย ก็พี่ข้อความของนายกอแล้วก็ก็พี่รูปภาพของนายกอมาด้วยแล้วเอามาโพสต์ลงในเพจค q วคิวำถามคือถ้านายกอเห็นแล้วนายกอเกิดไม่พอใจนายกอฟ้องร้องเพจค q วหรือฟ้องร้องผมฮะผมจริงไหมเพราะฉะนั้นฮะเวลาที่คุณทําเกี่ยวกับในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยแน่นอนมันต้องมีการรองรับด้วยพรบอรคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฮะเวลาที่จาระเมิดลิขสิทธิ์นะฮะมันอยู่ที่ตัวคุณนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่เพจ q ิ q, นะฮะมันอยู่ที่ตัวคุณเลย ว่าตัวคุณเนี่ยไปละเมิดของเขาหรือเปล่านะครับหรือถ้ามันเกิดการโกงกันเช่นนะฮะคุณเนี่ยขายรองเท้าอยู่ในเพจค q วคแล้วมีลูกค้ามาซื้อรองเท้า จ, จากคุณบนเพจคิวคินะครับแล้วคุณก็ไม่ส่งรองเท้าให้เขาเวลาเขาฟ้องเขาไม่ได้มาฟ้องเพจค q, q นะเขาฟ้องคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการหมิ่นประมาทนะฮะสมมติว่าคุณโพสต์บนเพจคิวค ด, ด่าอีกคนเนี้ยแล้วอีคนเนี้ยเห็นไม่พอใจไปฟ้องแจ้งความหมิ่นประมาทเขาก็ไม่ได้ฟ้องเพจค q นะเขาฟ้องที่ตัวคุณนะครับ แสดงว่านะครับการละเมิดลิขสิทธิ์มันไม่ได้ละเมิดระหว่างเพจนะฮะมันละเมิดระหว่างคุณนะครับยูสเซอร์ต่อยูสเซอร์ยูสเซอร์กับเว็บยูสเซอร์กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับทีนี้นะฮะ บ, บางคนบางคนบอกว่านะฮะไปดึงคลิปจาก youtube มาละเมิดลิขสิทธิ์ u t u b e หรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าตัวคุณเนี่ยไปกรอก URL ของ youtube มาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มทราฟฟิกให้กับ youtube ด้วยเพราะว่าคุณก็ต้องเข้าไปดู youtube จริงไหม แล้วเวลาคุณดึง URL มามันมาทั้งมันมาทั้งดุ่นนะฮะแสดงว่าถ้ามีคนกดเข้ามาในเพจ QQ แล้วกดดูตัวคลิป YouTube เนี่ยทัฟฟิกมันวิ่งคือวิวอ่ะมันวิ่งไปหาที่ YouTube ด้วยเพราะฉะนั้นเขายิ่งชอบเขายิ่งชอบเลยเพราะเพิ่มทัฟฟิกให้เขาไงครับเพิ่มช่องทางการเห็นคลิปคลิปนี้ให้เขานะครับอ่ะโอเคไหมนะฮะกลัวเว็บล่มเพราะคนใช้เยอะนะฮะกลังขยายอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะ ไอเรื่องตัวซิสเต็มนะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับกลัวไม่ทันคนอื่นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกับการกับความเข้าใจของพี่ด้วยนะครับแล้วก็กลัวรวยรวยแน่นอนนะครับยอดวิวคิดยังไงไปดูในคลิปนะครับมีให้แล้วนะครับคลิปมีแล้วนะครับผมไม่กลัวโดนหลอกเพราะผมเข้าใจเลยขอบคุณมากฮะเดี๋นะสุดยอดของเน็ตการ์ดเอาแม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะฮะคุณคุณต้องเข้าใจอยู่ไอ้นี้ก่อนนะครับว่า เอคนเราเนี่ยเวลาที่กลัวเนี่ยเพราะว่าติดภาพเดิมๆมาผมต้องบอกอีกก่อนนะกลัวเนี่ยไม่ใช่กลัวเพราะอะไรกลัวเพราะติดภาพเดิมๆกลัวกลัวคนมาแบบว่ายังไงอ่ะหลอกให้สมัครกลัวทําไปแล้วบริษัทเจ๊งกลัวทําไปแล้วแบบฉันไม่ได้อะไรกลัวทําไปแล้วไม่มีคนต่อทีนี้ผมต้องถามกลับผมถามกลับเลยนะข้อแรกกลัวทําแล้วไม่สําเร็จทําแล้วไม่สําเร็จ มันก็ต้องมาดูนะว่าคุณทํำยังไงคุณทําแบบมืออาชีพหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นมวยมวยมือสมัครเล่นน่ะขึ้นชกบนเวทีโลกมันมีแต่มวยมืออาชีพอ่ะที่ชกบนเวทีโลกแล้วเขาได้ค่าตัวจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะได้ผลลัพธ์จากเพจคิวคุณจําเป็นต้องศึกษามันก่อ น, อนว่ามันเป็นยังไงถ้าวันเนี้ผมมีเวลาทํางานสิวันอ่ะผมจะใช้แปวันในการที่จะดูข้อมูลไปทั้งหมดเลยแล้วใช้2วันทํางาน ผมก่อนที่จะทำเพจยูคิวผมต้องมานั่งแกะแพลตฟอร์มมันก่อนนะฮะว่าอะไรคืออะไรบ้างจนผมสามารถสื่อสารออกไปให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าเออมันคือโซเชียลแบบนี้รายได้มายังไงนะฮะที่มาที่ไปมายังไงนะครับแล้วคุณต้องมีการสื่อสารกับคนของคุณตลอดนะฮะคือบางคนเนี่ยที่ผมเห็นน่สมัครเสร็จปุ๊บทิ้งเลยแล้วก็สุดท้ายเขาถามใครไม่ได้เขาก็ต้องมาถามผมนี่แหละนะฮะคือเราก็ยินดีตอบไม่ใช่เราไม่ยินดีตอบแต่ว่าถ้าตอบ คำถามเดิมๆที่มันควรจะตอบได้อยู่แล้วอันนี้ผมก็ตําหนิไปที่ผู้นํานะว่าคุณไม่ได้ดูแลไม่ได้สนใจคนของคุณเลยนะฮะซึ่งคุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ใส่ใจมันแบบร้อนะฮะไม่ได้ผิดนะฮะทำงานแบบผมไม่มีผิดมีแต่ถูกกับถูกมากนะครับโอเคถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวนะขอบคุณนะครับสําหรับเอ่อแล้ว คลิปที่เพื่อนส่งมาแล้วเอาลง youtube ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะยังไงนะคลิปจากที่เพื่อนส่งมาแล้วเอาลง youtube อันนี้พี่ต้องไปถามเพื่อนพี่เนาะว่าเขาอนุญาตให้ลงไหมนะครับซึ่งปกติมันก็มันมันก็ต้องอยู่ที่มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเพื่อนพี่นะฮะโอเคนะฮะมีใครอยากถามอะไรต่ออมั้ยไม่งั้นต้องจะไปที่ความกลัวในเรื่องของ ในเรื่องของบริษัทนะฮะที <c> ่ <oughs> มากกว่านะครับถ้าคุณทําแบบมืออาชีพทําแบบเข้าใจสื่อสารแล้วทําตามเงื่อนไ ข, ขของมันจนครบทุกข้อยังไงคุณก็ได้เงินครับจากที่เพจคิวิวมันออกแบบมาเพื่อให้เราทําเงินอยู่แล้วนะครับในรายได้ข้อที่2เนี่ยนะครับในรายได้ข้อที่2นะฮะไอหนึ่เยิชั้นเนี่ย <c oughs> ผมคุยตรงๆเลยนะต่อให้คุณอยู่แบบไม่ทำอะไรนะอยู่แบบจะใช้คําว่าโง่โ ง, งก็ไม่นี่นะอยู่แบบว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยคุณยังได้เงินเลย แต่คุณได้ช้าแล้วคุณก็ได้น้อยแต่ถามว่าคุณได้เงินไหมได้นะครับคุณได้เงินนะครับโอเคนะทีนี้เอามาที่บริษัทด้วยนะฮะความกลัวเรื่องบริษัทจะล้มหรือเปล่านะครับผมให้ทุกคนผมให้ทุกคนมีมายเซข้อนี้ก่อนนะวันนี้เนี่ยมีคุณเคยเห็นคุณเคยสังเกตเห็นพวกแบบร้านร้านแบบข้าวต้มปลาข้างทางไหม หลานข้าวต้มปลาข้างทางนะคุณขับผ่านทุกวันทุกวันเป็นปีสองปีเนี่ยคุณก็ยังเห็นเขาเปิดอยู่ได้แสดงว่าการอยู่ได้เนี่ยไอ้คาว่าอยู่ได้เนี่ยคุณว่ามันเกิดมาจากอะไรมันถึงอยู่ได้ผมลองให้คิดติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอคือมันมีกําไรจริงไหมถ้า มันมีกำไรมันอยู่ได้ถ้ามันมีกำไรเพิ่มมันจะขยายเพิ่มจริงไหมนะถ้ามันขาดทุนคุณว่าวันนี้ถ้าร้านข้าวต้มปลาที่มันเปิดอยู่ข้างทางอ่ะเปิดไปขาดทุนไปเปิดไปขาดทุนไปคุณว่าเขาจะเปิดอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้จริงไหมฮะมันอยู่ได้เพราะกำไรนะครับกำไรอันนี้แจกแจงตรงตเลยคุยกับสมาชิกต้องคุยเข้าแท้จริงนะผมไม่คุยแบบแบบมาปิดปังอะไรนะผมไม่ใช่คนชอบปิดบังนะฮะ คือกำไรมาจากไหนบ้างอย่างที่ผมบอกเงครับว่าในหนึ่งพันของคุณเนี่ยอ่าเนี่ยหนึ่งพันบาทของคุณนะ่ยนะ 1, ค, นะคุณต้องยอมนะผมต้องใช้คาว่าคุณต้องยอมนะให้บริษัทได้มาจิน้นสามเปอร์เซ็นต์กไรบริษัทเอาเท่านี้ตัวเพจคิวคอ่ะเอาเท่านี้สมเปอร์ซ็นต์นะครับคำถามถ้าเขาชําทําช่องทางเนี้ยมาให้คุณทําเงินแล้วอ่ะ ทำช่องทางให้คุณอ่ะโพส์แบบไม่ฟรีอ่ะแล้วคุณก็ได้เงินจากการโพสตของคุณด้วยแล้วคุณก็ได้เงินจากการที่คุณอ่ะขยายทีมงานตามเงื่อนไขหนึ่งสอสามี่ห้าเขาขอมาจิ้นคุณสเน่ะคุณให้เขาได้ไหมแต่คุณได้ตั้ง90้าโอเคไหมให้เขาเอเนาะนะฮะทีนี้ฮะเมื่อมันมีกําไรนะครับกําไรมันไม่ได้เป็นกําไรแบบตายตัวกําไรมันเป็นการมันเป็นกําไรแบบการขยาย แบบยกกําลังเช่นกันนะนั่นหมายความว่าเมื่อมีผู้ยูสเมื่อมียูเซอร์ใช้มากขึ้นกําไรเราเนี้ยมันก็จะไปเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั่นแหละนะฮะค่าน้ำค่าไฟบ ร, ริษัทนู่นนี่นั่นนะฮะตรงนี้แหละฮะจะเป็นตัวที่ทําให้บ ร, ริษัทยังคงอยู่นะครับและเมื่อมีโฆษณานะฮะโฆษณาเข้ามานะครับมีโฆษณาเข้ามานะครับมีการใช้งานที่มากขึ้นมันจะมีโฆษณาโฆษณาก็จะเป็นกําไรเหมือนกันนะฮะมาจินเท่าไหร่อันนี้ผมยังไม่ทราบนะฮะ อันไหนไม่ทราบผมก็บอกไม่ทราบนะไม่ได้ทราบทุกเรื่องนะฮะอันไหนที่ไม่ทราบก็คือไม่ทราบนะครับแต่คาดว่านะฮะเมื่อมีโฆษณานะครับโฆษณาค่าโฆษณาส่วนหนึ่งจะแบ่งเป็นกําไรของบริษัทและส่วนหนึ่งจะไปอยู่ที่ View Content นั่นหมายความว่าคุณจะมีเหรี Vi วิที่มากขึ้นถ้ามีเหรี Vi วิที่มากขึ้นคุณก็ได้ไอ้เกเนี้มากขึ้นนะครับโอเคไหมแบบนี้คือคุณได้เหรี Vi วิที่มากขึ้นอ่ะคือคุณได้เงินมากขึ้นโอเคไหมนะฮะ ว, นะวันนึงเพจคิวๆกำหนดกี่โพสไม่กำหนดครับมันคือโซเชียลที่คุณน่สามารถโพสอะไรก็ได้นะครับอ่ทีนี้ดูนะครับมีใครสงสัยเรื่องอยู่ได้อยู่ไม่ได้อีกไหมนะฮะอยู่ได้เพราะกำไรนะครับ บริษัทไหนที่มีกําไรที่มีเงินแคตโฟลอยู่ในระบบนะฮะอยู่ได้นะครับมีคนติดเรื่องนี้ไหมเรื่องไอเรื่องเรื่องสิบวิวเรื่องเรื่องวิวเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะให้คุณไปทําความเข้าใจในคลิปที่ที่ผ่านมานะครับคลิปยี่สเก้านาทีผมก็มีบอกนะครับวิธีการคิดวิวนะฮะอ่าเดี๋ยวนะฮะทีนี้คุณดูนี่นะเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงในเรื่องของ ของของตัวหนึ่งพันของคุณใช่ไหมพูดเรื่องของคอนเซนทรีคือมันลงทุนต่ำแล้วมันผลตอบแทนมันคืนทุนเร็วแล้วมันก็ผลตอบแทนสูงใช่ไหมฮะทีนี้คุณต้องเข้าใจกันก่อนว่านะฮะไอ้หนึ่งพันของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไปไหนเลยนะมันก็เป็นแคชโฟลอยู่ในระบบนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจกันก่อนว่าซิสเต็มเนี่ยมันต้องมีเงินหมุนเวียน อยู่ในระบบมันต้องมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบนะคือถ้ามีใครคือถ้าคุณเคยผ่านธุรกิจขายตรงคุณจะเคยได้ยินคําว่ารักษายอดบ่อยๆใช่ไหมไอ้รักษายอดเนี่ยนะฮะมันก็คือเงินหมุนเวียนในระบบนั่นแหละครับบริษัทไหนที่ไม่มีการรักษายอดให้คุณเข้าใจไว้ได้เลยนะครับคนไทยจะชอบติดกลัวรักษายอดผมไม่รู้กลัวทําไมนะการรักษายอดนั่นแหละครับที่ทําให้คุณได้เงินนะครับทีนี้เอางี้ก่อนนะครับ ถ้าไม่ม hmm. ีการเซอร์วิสหรือไม่มีเงินที่หมุนเวียนในระบบเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทไหนๆก็ตามนะฮะผมไม่ได้บอกแค่เป๊ะิวทุกบริษัทที่ไม่มีการรักษายอดหรือไม่มีเงินหมุนเวียนในบบคุณทําไปเท่ากับคุณเหนื่อยฟรีเพราะว่าไม่นานบริษัทมันจะไม่มีเงินหมุนเวียนในบบแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายสมาชิกเมื่อคุณไม่มีเงินจ่ายสมาชิกนั่นหมายความว่าคุณโอเวอร์เพย์เมื่อคุณโอเวอร์เพย์ที่คุณทําไปทั้งหมดเนี่ยเมื่อบริษัทโอเวอร์เพย์ที่คุณทําไปทั้งหมดเนี่ยคุณทํำเพื่อรฟหยง แต่ถ้าวันนี้บริษัทมีกำไรถ้าบริษัทมีเงื่อนไขาการจ่ายแบบไม่แบกรับแล้วไม่จ่ายเกินนั่นหมายความว่า s ิส t e เต็มมันจะอยู่รอดเมื่อมันอยู่รอดคุณก็สามารถทำสิสต์เต็มตัวนี้เ q q เนี้ยไปได้ตลอดชีวิตของคุณเลยนะครับคุณทำไปได้เลยฮะตลอดชีวิตของคุณนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อนะฮะสรุปแล้วจริงๆคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับ ที่เรากลัวเพราะว่าเราแค่ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงใช่นั้นเองนะฮะอยากให้ทุกคนไปสื่อสารที่ถูกต้องนะครับทุกคนต้องเริ่มจากอะไรฮะมันจะมีคลิป29นาทีใช่ไหม29นาทีที่ผมพูดถึงเรื่องเพย์คินะฮะคลิปกันตอบข้อโต้แย้งนะครับคลิปข้อโต้แย้งนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ดูเรื่อง ไลฟ์สดเดี๋ยวนะมีไลฟ์สดนะฮะเมื่อวันที่เท่าไหร่วะที่ผ่านมานะฮะไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะฮะครั้งที่แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่6หรือเปล่านฮ ะ, ะวันที่หนะครับวันที่หนะฮะไลฟ์สดนะครับเขียนไปเลยหกอยนะฮะหกอยน่าจะเป็นวันนี้นะฮะอยู่ใน Facebook ของผมนะครับมีนะฮะให้คุณเข้าไปดูนะครับให้คุณเข้าใจนะครับคุณจะได้มั่งใจนะฮะข้อโต้แย้งที่สําคัญมากนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวไลฟ์วันที่6กยอนะฮะที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้นะฮะในเรื่องของซิสเต็มคุณต้องสื่อสารเรื่องของวันนี้นะฮะเพราะว่าระบบจะปิดสมัครวันที่ 13-15 นะฮะปิดช่องสมัครเฉยๆนะฮะถ้าคุณไม่รู้คุณจะสื่อสารไม่ถูกต้องแล้วคนที่สมัครมาวันนี้นะฮะแสดงว่าคนที่สมัครมาวันนี้คุณโพส์ไม่ได้จริงไหม <S <S <S คุณไม่ต้องไปตกใจนะครับสําหรับสมาชิกใหม่คุณไม่ต้องตกใจเลยนะฮะ ที่คุณโพสไม่ได้เพราะว่าเขากำลังปรับโดเมนแค่นั้นเนยขยายเซิร์ฟเวอร์ให้คุณใช้งานนะครับให้เราไปโฟกัสหลังวันที่15เลยนะครับแล้วทีนี้คุณดูนะถ้าคนที่ไม่เข้าใจอ่ะคนที่สมัครมาใหม่ๆเนี่ยคุณต้องรีบศึกษาจากในบันทึกให้เข้าใจเพราะว่าอันเนี้ยเป็นช่องทางทำเงินของคุณที่ง่ายที่สุดแล้วเท่าที่คุณเคยเจอมาเลยผมบอกเลยว่า ตรงนี้ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงผมบอกเลยว่าตรงนี้เป็นโซเชียลนิเวศที่คุณเล่นแล้วคุณทำเงินได้จริงๆนะครับถ้าคุณเข้าใจคุณจะชวนคนแบบโซเชียลคุณจะไม่ชวนคนแบบไปขายยาสีฟันให้โอเคไหมฮะฉะนั้นนะฮะอ๋อขอบขอบคุณนะฮะพี่สมศรีสีทองคำนะครับเอ่อทีนี้นะฮะวันที่สิบสามึงสิบห้านี้นะครับ ทุกคนสามารถเข้าไปดูคอนเทนต์ของตัวเองได้นะครับผมจะพยายามให้ให้ให้เปิดหน้าคอนเทนต์ให้ได้แต่สร้างคอนเทนต์ใหม่ไม่ได้นะครับแชร์คอนเทนต์เก่าได้นะครับจะพยายามให้เป็นลักษณะแบบนั้นนะเพื่อไม่ให้เว็บมันปิดนะครับทีนี้ไอาการปิดวันที่13บ5ถึง้าเนี่ยถ้าคุณไม่สื่อสารมันจะเป็นลักษณะนี้หรือว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะคุณไม่สามารถคุยได้ว่าว่าไอเดียคืออะไร คุณจะไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้เพราะคุณไม่มีโพส์คุณจะไปบอกคนอื่นได้ไงใช่ไหมแสดงว่าคุณต้องรีบเข้าใจว่าเพจคิวควไอเดียมคืออะไรต่างหากสิ่งที่คุณจะต้องขายคุณไม่ได้ขายโพส์นะครับคุณไม่ได้ขายโพส์คุณต้องเข้าใจย่าคุณไม่ได้ขายโพสต์คุณกำลังขายไอเดียกับพื้นที่ถ้าใครดูคลิปห้านาทีของผมที่ผมคุยที่ผมพูดตอนนั้นน่ะ ผมยังไม่มีคอนเทนต์เลยนะผมไปดูคอนเทนต์เก่าๆเฉยๆผมยังไม่มีคอนเทนต์เลยผมยังไม่เคยสร้างคอนเทนต์เลยแต่ผมขายไอเดียกับขายพื้นที่ให้คุณก่อนแล้วคุณก็ซื้อไอเดียกับพื้นที่ผมแล้วพอเว็บมันปรับมาจนสร้างคอนเทนต์ได้จนถูกขยายไปมากขึ้นทุกคนซื้อพื้นที่เดียวกันหมดนั่นหมายความว่าเงินไปไหนครับเงินก็เข้ากระเป๋าคุณนั่นแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าขายครับโพส โพสเป็นเพียงโปรเซสนะโพสต์เป็นเพียงส่วนประกอบในรายได้ข้อที่4แต่ถ้าคุณเข้าใจแพลตฟอร์มของมันจริงๆก็คือคุณน่ยจะไม่โพสต์ฟรีเลยการโพสต์ของคุณจะเป็นเหมือนเงินที่ไหลามาเหมือนน้ซาซึมนะบ่อทรายนะโพสต์ของคุณจะติดอยู่บนอินเทอร์เน็ตตราบนานเท่านานและไม่มีวันเสือ่อมมูลค่าด้วยเพราะว่าเงินจะได้ทุกครั้งเมื่อมีการกดเข้าไปในโพสต์โพสต์นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณเข้าใจอย่างว่า ขพองคุณอะ่ะคือสินทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตที่มันไม่มีเสื่อมมูลค่าเลยมันจะมีมูลค่ามากขึ้นแล้วมันจะทําเงินให้คุณทุกเดือนไม่ว่ามันจะเป็นโพสต์แบบไหนก็ตามแต่นะฮะวันนี้คุณโพสตลงไปในเฟซบุ o กอ่ะรูปนึงอะ่ะมีคนมากดไลค์คุณเป็นพันเลยคุณได้อะไรบัางจากการกดไลค์เป็นพันคุณได้อะไรบ้างจากการกดเข้าไปดูรูปของคุณเป็นพันไม่ได้เลยเลยนะครับ แต่ถ้าวันนี้ต่อให้คุณมาโพสในเพจคิวๆแล้วคุณแชร์ไปที่ Facebook มีคนกดเข้ามาดูสักสิบวิวยีสิบวิวแล้วมันเป็นเงินหนึ่งถึงสสตางค์เอางี้เลยนะมันเป็นเงินหนึ่งถึงสสตางค์คุณว่ามันก็ยังเป็นเงินไหมคุณว่าถ้าวันนี้เรากำลังจะใส่เครื่องหมายฮะใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากันคุณว่าศูนจกับศ0 1จศหนึ่งคุณว่าอะไรมีค่ามากกว่ากัน จริงไหม 0.01 มีค่ามากกว่า 0.00 จริงไหมฮ ะ, ะแสดงว่าต่อให้มันเป็นเศษสตางค์แต่มันก็ยังเป็นเงินให้คุณครับคือบางคนน่ยไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกเฟลว่าเอ้ยทำไมฉันสมัครมาแล้วแบบว่าได้เลดวิวน้อยจังมันเป็นเพียงแค่ช่วงวอร์มอัพครับทุกท่านฮะทุกท่านกําลังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจุดเริ่มต้นของมันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะเมื่อมันเป็นจุดเริ่มต้นทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ไอคอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันเป็นแอสเซสมันคือซับสิส น, นะฮะคอนเทนต์คือแอสเซสนะครับเขียนใหม่นะฮะต้องเขียนแอสเซสก่อนแอสเซสของคุณมีคอนเทนต์อยู่นะั้นคอนเทนต์ของคุณเนี่ยนะฮะเวลามันมีคนกดเข้ามาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามแต่นะนะคุณก็จะได้เงินจากตรงเนี้ยไปเรื่คุณก็จะได้แพสซีฟตรงอยูตรงเนี้ย คอนเทนต์ Content, ได้แพสซีฟเป็นเดือนเนาะคอนเทนต์ Content ได้แพสซีฟเป็นเดือนนะแต่ตัวซิสเต็มที่คุณสร้างคนสร้างฮนะิวแมนในแอสเซทอะฮิวแมนแอสเซทแบบเขาเข้าใจเขาสามารถสื่อสารได้เขาสามารถขยายกลุ่มผู้ใช้ผมไม่ได้บอกนะว่าเนี่ยชวนคนมาต่อผมไม่เคยพูดเลยนะว่าชวนคนมาต่อผมบอกเนะี่ยชวนผู้ใช้งานเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานแสดงว่ากลุ่มผู้ใช้งานคือฮิวแมนแอสเซท เมื่อ Human a s s e t s มีการแตกตัวออกไปนะฮะนั่นหมายความว่าวันนี้คุณก็จะได้แพส i ี e ด้วยโอเคไหมครับนะฮะแสะดงว่านะฮะต่อให้มันจะเป็นเป็นเป็นเลดวิวและว1สตางค์เล v วิวและ2 ส, สะตางค์สาสตางค์ก็ยังดีกว่าการที่คุณไปโพสต์อยู่บน Facebook ฟรีๆแล้วถามว่าเล v วิวเราถูกหรอไม่ถูกนะครับ ตอนที่มันเป็นแบบเดือนที่แล้วเนาะเลดวิวเราคือหสตางค์หกสตางค์เนี่ยมากกว่า youtube ประมาณกี่เท่าอะ่ะเลดวิวของยู u ูบแบบไม่ถึงหนึ่งสตางคนะ์ฮะตอนนี้แสดงว่า6สตางค์เนี่ยสมมุติว่าเลดวิวยูทูบเป็นหนึ่งสตางค์ก็ได้อแสดงว่าของเรามากกว่า youtube ถึงหเท่าหกเท่านะครับทีนี้มันก็ต้องขึ้นกับความเข้าใจของคุณแล้วว่าคุณเนี่ยชอบแบบไหนนะครับแสดงว่า การเข้ามาเป็นสมาชิกเพจคิเนี่ยต่อให้คุณนะไม่เก่งอะไรสักเรื่องเลยนะคุณก็ยังได้เงินอยู่ดีนะครับเพราะว่าคุณปฏิเสธไมหมล่ะว่าวันนี้คุณไม่โพสต์อะไรเลยเป็นไปไม่ได้นะฮะคุณจะโพสต์คุณจะโพสต์แล้วคุณก็จะมีการเรียงลําดับแบบโครงสร้างหนึ่งเอร์เซนยี่สิบชั้นทุกคนจะได้แบบนี้หมดแต่ขออย่างหนึ่งฮะให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ด้วยผมจะคุยไฟนี้คุณฟังนะบางคนเนี่ยติดใจไฟนี้มากเลยเราต้องเสียสามร้อยเหร่ มีใครตกใจนี้บ้างมีใครคิดเรื่องนี้บ้างฮะอ่าโอเคนะฮะกดกดไลค์กดแชร์ like, share, ไม่ได้ไม่ได้ตังค์นะฮะเขาคิดเฉพาะวิวคอนเทนต์นะฮะเอ่อผู้แนะนำไปดูที่เอ่อฝากฝาดดูแลด้วยนะฮะผู้แนะนำนะฮะอ่าทีนี้พวกเราดูตรงนี้ดีๆีฮะไอ้คำนี้คุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะ ปกติในในธุรกิจขายตรงเขาจะมีคำว่านี้ใช่ไหมรักษายอดแล้วของเราละ่ะมีรักษายอดไหมผมบอกเลยนะว่าไม่มีนะคุณต้องเข้าใจก่อนว่ารักษายอดเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องหิ้วกะปลกคอาอเฟิลกับบ้านบ้างไงอย่างน้อยคุณต้องหิ้วอะไรที่แบบมากินบ้างไงของเราใช้คำนี้ครับเซอร์วิสซิสเต็ม 6คิวต่อเดือน Service System 6คิวต่อเดือนณนะตอนนี้ยังไม่มีนะฮะฟังใหดีนะครับนณะตอนนี้ยังไม่มีเพราะเรากำลังวอร์มอัพกันอยู่ระบบมันยังไม่เต็มที่ 100% แสดงว่าเขาให้คุณนะ่สามารถใช้แบบช่องทางนี้หารายได้ได้แบบฟรีๆเลยคือคุณคือคุณสมัครสมาชิกมาคุณซื้อพื้นที่ 1,000 นะ่มันคือการลงทุนของคุณ เมื่อคุณคืนทุนแล้วนั่นหมายเขาว่าที่เหลือคือกําไรหมดเลยนะโดยที่คุณยังไม่ต้องเซอร์วิสซิสเต็มเลยเขาให้คุณใช้ฟรีนะครับแต่คุณดูดีๆนะครับของเราอัตราส่วนเท่าไหร่ฮะหนึ่งคิวเท่ากับห้าสิบาทใช่ไหมหนึ่คิวเท่ากับห้สบาทแสดงว่า6คิวเท่าไหร่ฮะเท่ากับสามรอบาทกลับมาที่ตรงนี้ก่อน6คิวเนี่ยผมไม่เคยสื่อสารให้ทุกคนน่ยจ่ายสามรอบาทเลยนะจำได้ไหมฮะผมไม่เคยสื่อสารให้ทุกคนจ่าย300อย น, นะ 6คิวผมให้บริหารครับบริหาร6คิวจากในคูปองของเราเองนะครับนั่นแสดงว่าวันนี้ในเดือนต่อๆไปเนี่ยถ้ามันมีการเซอร์วิสซิสเต็มฟังก็ดีนะครับแล้วก็สื่อสารให้ถูกด้วยเมื่อมันมีการเซอร์วิสซิสเต็มนะครับคุณจะต้องบริหารคิวในระบบของคุณ6คิวต่อเดือนเพื่ออะไรฮะ6คิวต่อเดือนเนี่ยสำคัญมากนะครับคุณดูตรงนี้ดีนะ หนึ่งเมื่อมีเมื่อมีการชำระ6คิวต่อเดือนสิ่งที่คุณจะได้ก็คือหนึ่งเอร์ซยี่สิบชั้นนะคุณดูนี่ดีๆนะอันเนี้ยคือคนของคุณชั้นแรกคุณมีกี่คนสองคนสี่คน8ดคนสิบหกคนอ่ะสมมติผมจบที่สิบหกคนก่อนลวกันสิบหกคนนะแสดงว่าคนในตรงนี้รวมกันมีกี่คนสองเป็นหก 6เป็นสิบสี่สิบสี่เป็นสามสิบสสิบคนคุณดูนะครับสามสิบคนนี้นะฮะมีการเซอร์วิสซิสเต็มเดือนละ6กคิวเท่าไหร่สามสิบคนสาสิบคนคูณสามร้อยบาทนะฮะคูณหนึ่งอร์คุณจะได้ 1% นอะร์ะจากสามสิบคนนี้นะฮะแสดงว่าส0สิบคนนี้คุณได้แค่เท่าไหร่อะคนละ3ามบาทอะบาทคูณสามสิบคุณได้9กส ดูนะครับทีนี้มันจะไม่จบแค่สิบหกสิครับคุณดูนี่นะสิบหกสามสิบสองหสิบสีเท่าไรเนี่ยร้อยยิบไปไหนลองรวมกันใหม่สิคนละไม่รู้ว่าผมตีสประมาณสองร้อยห้าสิบคนแล้วกันสองร้ยห้าสิคนได้ไหมเนี่ย สองคนสมมตินะสมมติสมมติส ม, มติตีกลมๆแล้วกันสาม้อยคนแล้วกันอ่ะสามร้อยคนเมื่อกี้สามสิบคนอาจจะไม่เห็นภาพสมมุติเอาสามร้อยคนแล้วกันในเนี้ยในเนี้ยมีสามร้อยคนคุณได้จากสามร้อยคนเนี้ยก็คือคนละหเอร์ซใช่ไหมจากหกคิวคือสามอบาทคุณได้ตรงเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยคูณสามเท่ากับเก้าร้อยบาทอ่ะเอาตรงนี้ก่อนนะสมมุติว่า Service System ของคุณเนี่ย เก้าร้อยบาทคุณได้จากตรงเนี้ยเก้าร้อยบาทแต่คุณเนี่ยคุณต้องเพย์หกคิวอะคือเอาสามร้อยบาทอะไปแลกเก้าร้อยอะคุณเอาไหมกําไรหกร้อยแค่นี้ผมก็เอาแล้วหนะใช่ไหมต่อให้วันเนี้ยคุณเอาสามร้อยบาทอ่ะไปแลกสี่ร้อยอะคุณเอาไหมก็เอาจริงไหมนะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมองแบบนี้ก่อนครับคือจริงๆอะมันไม่น้อยขนาดนี้หรอกคุณดูนะใน ในข้อที่2เนี่ยหนเยี่ิบชั้นเนี่ยเยิบชั้นเนี่ยรายได้สูงสุดของแพส i v e ตัวนี้ก็คือหกล้านต่อเดือนใครยังไม่รู้ว่าหกล้านต่อเดือนเป็นไงไปดูในรายได้ข้อที่สองนะครับมีอยู่ในคลิปยี่สิบเก้านาทีนะฮะหกล้านต่อเดือนคุณรักษาหคิวได้ไหมสามร้อยบาทบางคนบอกโอ้ยส้อบาทเลยเพี่ ถ้าวันนี้คุณบริหารเงิน300บาทไม่ได้คุณไม่ต้องเอา6ล้านโอเคครับถ้าคุณบริหาร300บาทไม่ได้คุณเอาไม่ต้องเอาถ้าคุณบริหาร300บาทไม่ได้คุณจะเอาหลักแสนคุณก็ไม่สมควรได้นะฮะโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับ 6Q ิวนะครับให้บริหาร Online System นะฮะ ร, ระบบจะล็อกไว้นะครับนั่นหมายความว่าทุกๆเดือนนะครับถ้าคุณยังไม่มีทีมงานคำถามคือทำไมคุณถึงไม่มีทีมงานต่างหาก ไม่ใช่มาถามผมว่าพี่ถ้าผมไม่ทําเลยผมจะได้อะไรฮะ ค, รคุณต้องกลับไปถามที่ว่าคุณทำเพจคิวคคุณต้องการอะไรมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะ6คิวอันนี้ขอสื่อสารตรงนะกันถ้าคุณหาไม่ได้นะฮะแสดงว่าคุณเน่ยยังไม่มีทีมงานจริงไหมคุณถ้าคุณไม่มี6คิวอ่ะนั่นหมายความว่าตัวคุณน่ยไม่มีทีมงานจริงไหมฮะแสดงว่าคุณแนะนำใน A แนะนำใน B มาตรงตรงเลยนะ คุณได้กี่คิวแล้วเนี่ยตรงเนี้ยยี่สิบคิวจริงไหมหักภาษีเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณสิบเก้าุดหกว่ากว่านี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะฮสิบเก้าจุดหกคุณจ่ายหกคิวได้ยังได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับคำถามคือว่าคุณควรจะทำยังไงต่างหากนะฮะไม่ใช่ถ้าผมไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมจะได้เงินได้ยังไงนะฮะคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมบอกเลยว่า myset มันอาจจะคืออยากได้อะแต่แบบไม่อยากทำ คุณเคยเป็นคนแบบอย่างนี้ไหมคือบางครั้งเนี่ยเราเจอคนแบบนี้มากเราก็รู้นะว่าเรายังไม่อยากทํางานกับเขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคือคนบางครั้งเนี่ยเฝ้ารอความสําเร็จจากคนอื่นเนี่ย ม, ม, มันเป็นไปไม่ได้มันช้านะครับถามว่าได้ไหมได้แต่ช้านะครับแล้วก็คุณก็ต้องมาเช็คไม่เซ็ตตัวเองด้วยว่าคุณเน่ยจะแบบเขาใช้คาว่าขี้โกงนิดนิดะบางครั้งเนี่ยคุณน่ยกลัวกลัวคนอื่นมาโกงคุณอะแต่คุณก็ขี้โกงเหมือนกันนะคุณเฝ้ารอให้คนอื่นเนี่ย เพสคนมาต่อให้คุณเน่ยเพสคนมาต่อให้คุณเน่ะโดยที่คุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกขีก้กโกง <นะ S 1> จริงไหม <นะ S 1> เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าถ้าคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณอยากสมัครเข้ามาแล้วคุณไม่ทําอะไรเลยผมบอกเลยว่าก็ก็ผิดคอนเซปต์อะนะเพราะว่าเราเรากําลังต้องการคนที่มีจิตใจเลื่อเฟื้อส่งต่อสิ่งที่เรียกว่าช่องทางการทําเงินให้กับคนอื่น โดยที่คุณต้องเข้าใจจริงๆแล้วคุณก็ไปสื่อสารมันออกไปนะถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็จะสื่อสารแบบคนที่ไม่เข้าใจถ้าคุณกลัวคุณก็จะสื่อสารแบบคุณกลัวเวลาคุณกลัวเวลาเวลาคุณไปชวนเพื่อนอ่ะคุณไปชวนด้วยความกลัวแม่งมันจะปิดหรือเปล่าวะเฮ้ยมันไม่มั่นใจวะเฮ้ยฉันยังทําไม่ได้เลยคุณกลัวเขาไม่อยากทํากับคุณอ่ะผมก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมเปิดหน้าเลยนะเปิดหน้าเลยนะฮะทุกคนเห็นผมใน youtube ทุกคนเห็นผมในไลฟ์สดทุกคนเห็นผมในกลุ่ม ผมบริหารผมออกงานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเกี่ยวกับเพจคิวๆไม่จาเป็นต้องกลัวอะไรนะทำไมเราต้องกลัวผมก็เป็นยูทูเบอร์ธรรมดาเหมือนกับทุกคนนะครับเพียงแค่วันนี้ผมตัดสินใจด้วยความเข้าใจแล้วเราเริ่มทําก่อนเราสร้างระบบให้ทุกคนทํางานง่ายวันนี้เนี่ยมันในยุคสมัยผมมันไม่มีใครมาบอกผมเลยนะว่าผมควรต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีนะฮะแต่วันนี้ผมเชื่อฮะว่าสิ่งนี้มันเป็นมิติใหม่ที่คนน่ยบางครั้งไม่เข้าใจว่าต้องทํางานยังไงว่ามันคืออะไรเฮ้ยมันเป็นแบบไหน แพลตฟอร์มมันคืออะไรผมจึงจำเป็นต้องสื่อสารออกมาทำให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าช่องทางทำเงินนี้มันง่ายที่สุดแล้วนะเพียงแค่ว่าคุณคุณไปชวนเขามาเนี่ยคุณชวนเขามาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เพื่อก่อเกิดประโยชน์อะไรต่างหานะครับโอเคนะฮะอ่ะทีนี้นะเออมีใครอยากจะถามอะไรต่ออีกไหมนะครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะฮะ ถามเลยนะครับถามเลยนะครับนะครับมไหฮะ <c oughs> ถ้างั้นนะครับเอ่อผมอาจจะอยากฝากทุกคนนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับข่าวต่างๆที่แจ้งอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับผู้นำนะครับต้องสื่อสารเร็วนะครับ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจว่าวันนี้คุณทํางานกับคนเยอะมากนะครับการสื่อสารจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเช่นก่อนที่เขาจะสมัครเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคนใหม่เนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องเหมือนคุณจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังมีอะไรบ้างเช่นนะฮะช่องเพศขึ้นไหมช่องประเทศขึ้นไหมหรือแม้แต่กระทั่งไอ้ตัวอะไรนะฮะสปอนเซอร์ ID กับยอัพไลน์ดีขึ้นหรือเปล่าคุณจำเป็นต้องบอกเขาให้เขามีการระวังตรงนี้เมื่อ เมื่อบางครั้งเนี่ยปัญหาที่มันยังแก้ไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องใช้ตัวเองในการที่จะเฝ้าระวังตรงนี้นะครับอ่าถามเรื่องการต่อสายงานถามได้เลยฮะรเรื่องการต่อสายงานว่าไงฮะ ค, คุณอะไรนะพระขพนใช่ไหมฮะนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเทรดเดอร์เวย์ น, นะฮะพรพนคนเทรดนะฮะเรื่องก็ต่อสายงานว่าไงครับถามได้เลยฮะ ถ้า ง, งั้นผมคุยเลยแล้วกันนะเรื่องการต่อสายงานเนี่ยผมต้องบอกอีกครับ ว, ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้การต่อแบบออโต้เพ c สนะครับเพราะว่ามันเป็นการอุดรูรั่วที่ดีที่สุดนะครับงที่เวลาผมให้ทุกคนเล่นน่ก็คือเกม222นะครับแสดงว่าการเล่นเกม222เนี่ยนะครับแหละทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าแนะนำผลเป็น แล้วก็ช่วยให้2คนของเราที่เราได้นำมามีสองคนเหมือนกันแสดงว่าเขาก็สามารถส่งต่อวิธีการตรงนี้ได้คือสอนคนได้ด้วยนะฮะจะถูกอัลต์เพรสไปนะครับหรือนะครับถ้าใครต้องการที่จะแมนนวลเพรสนะครับก็ทําได้แต่คุณต้องรู้ตัวอะไรนะอัพไลน์ไอดีนะครับว่าคุณควรจะต่อใครนะฮะคุณถึงจะแมนนวลเพรสได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะฮะแนะนําว่าเป็นอัลต์เพรสจะง่ายที่สุดนะครับเพราะมันจะทําให้ชั้นของคุณเต็มนะฮะใครที่ใครที่ชอบทําติดภาพ ขายตรงมาเรื่องจับคู่อะไรเงี้ยไม่มีนะครับเป็นอ u t o ทเพลสหมายความว่าต่อ5้าต่อใ ห, ตอให้ต่อให้วันเนี้ยสายงานคุณแบบเติบโตไปข้างเดียวเนี่ยแล้วมันไม่มีบาลานซ์เนี่ยคุณก็ยังได้เงินจากข้างนี้ด้วยฮะคนละ 1% นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โครงสร้างการตลาดนะมันเป็นเพียงแค่ลำดับ ก, การเรียงสมาชิกนะครับโอเคนะฮะ ร, ระบบต่อให้เองครับถูกต้องนะฮะบบต่อให้เองนะครับ โอเคอะมีคำถามตัวไหนไหมฮะที่จะถามผมนะครับรอคำถามนะฮะก่อนที่จะไปต่อนะฮะอะถ้างั้นนะครับโอเคผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอยากจะฝากประชาสัมันนิดนึงนะครับสำหรับพู่นี้ นะครับเราจะมีงานาสำหรับพูดคุยผมไม่ชอบประชุมนะครับผมชอบพูดคุยนะฮะพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลของเพจคิวนะครับทุกท่านที่มางานนี้เนี่ยนะครับจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเทรนนะฮะก็คือว่าวิวัฒนาการการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับไทยแลนด์ตั้งแต่ยุค 1G จนถึงยุค 5G นะครับเป็นยังไงนะครับเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับ ไอโอที OT, แล้วก็ไอโอเอนะฮะอินเทอร์เน็ตออฟแล้วก็อิน e ทอร์เน็ตออฟอเฟอรนะครับผมจะเชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจว่าเฮ้ยวันนี้มันไม่ได้แล้วนะครับถ้าเรายังมัวยึดติดอยู่กับเน mm ็ตเวิร์ r k าร์เก็ตติเดิมๆหรือว่าการตลาดแบบซิงเกิลนะครับหรืออะไรที่มันเป็นที่มันไม่ใช่การตลาดออนไลน์นะครับคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณช้าไม่ได้แล้วแล้วคุณก็จะรู้ด้วยว่า i, เฮ้ยเพจคิวๆอะ่ะมันเป็นมันเป็นการแอป Pro วไอเดียจากการใช้ช่องทางการออนไลน์เนี่ยหรือโซเชงีย แล้วคุณก็จะมาดูเลยว่ากลุ่มการตลาดของมันอ่ะมันแมสแล้วมันก็จะขยายคนได้แบบวอลลุ่มมหาศาลเน่ยเราเล่นก ร, ระดับเบอไวน ะ, ะบางคนมองว่าเฮ้ยหนึ่เหรอมันจะได้เหรอมันจะแบบได้ยังไงมันจะแรกเงินล้านได้จริงเหรอแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจว่าคําว่าแมสและคําว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันลามเร็วขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสายงานลงลึกไปอีกชั้นแล้วตอบไม่ได้นะฮะตอนนี้ผมไม่ได้นับเลยนะครับ นะฮะไม่เอ่อน้องบอสไม่ใช่20นะฮะอนาคตโพสต์ง่ายกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอ่อช่วงช่วงแบบวอร์มอัพเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแบบตกใจเรื่องการโพสเพราะมันโพสยากหรือว่าโพสไม่ติดเพราะว่าฟฟิกมันหนานะครับปัญหาเรื่องการโพสต์จริงๆแล้วเป็นปัญหาเทียมนะครับเดี๋ยวหน่อยจะโพสต์ง่ายมากเลยนะครับโอเคนะฮะคุณพลอยคุณพลอยนะฮะอ่าทีนี้อย่างนี้นะครับสําหรับคนที่เพิ่งมาใช้นะฮะ เดี๋ยวหลังจากที่ผมจบคลิปนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนรีเวิร์สไปดูตอนช่วงแรกนะฮะที่ผมคุยถึงเรื่องซิสเต็มนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นมันมันถึงต้องอัปเดตนะฮะเพราะว่ามันมันมันเยอะแล้วนะครับคนเราเริ่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกงี้เลยว่ากำลังทะยานเข้าสู่ถ้าถ้าคุณไม่เข้าใจนะฮะคุณจะรู้ว่ามันจะลามเร็วเป็นแบบไฟลามทุ่งจริงๆอ่ะโซเชียลเน็ตเวิร์มันเป็นอะไรที่ตลกมากคือมันลามเร็วจริงๆนะครับ แล้วก็วันที่10นะครับอย่าลืมคือพรุ่งนี้นะฮะใครผู้นำฝากผู้นำเลยนะฮะผู้นำผู้นาคนไหนนะครับที่มีทีมงานที่อยู่กรุงเทพนะครับหลีดให้เข้าวันพรุ่งนี้โดยด่วนนะครับบัตรผมจะรับถึงแค่สี่ทุ่มนะครับวันนี้จะเป็นในรูปแบบของ ecard เท่านั้นนะครับอ่าได้ครับเชิญเลยครับ เออใช้วิดีโอผมโปรโมดได้เลยครับปกติฮะเออแล้วก็ในวันที่11นะครับเมื่อวานนี้พรุ่งนี้มีงานวันที่ส0บใช่ไหมฮะที่ราชพัฒนพระนครนะครับที่อาคารพุทธวิชาลัยนะครับบ่ายโมงนะครับถึงสี่โมงเย็นนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะฮะน่าจะเข้างานพรุ่งนี้คุณต้องซื้อภายในวันนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมจะไม่มีขายหน้างานนะครับแล้วก็วันที่11บเอ็ดนะฮะที่ศรีสเกตนะครับทีมงานของครูตุลนะฮะ ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับที่สีสเกตวันที่18มีที่โคราชนะครับ18มีที่โคราชนะะฮะสนามกีฬากลางนะครับสิเออสิอ่ะเออวันที่17ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าการชนะบุรีจะจัดไหมนะครับเดี๋ยวยังไงคอนเฟิร์มผมด้วยนะครับวันที่17ไม่จัดนะฮะเออจะจัดวันที่17ที่กระบี่แทนนะครับกําลังดูให้นะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับ ท, ทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจนะครับตอมก็จะเป็นเป็นเป็นเหมือนทุกท่านนะครับที่ที่จะค่อยๆพากันไปเราจะรวยไปด้วยกันนะครับเราจะสร้างความสําเร็จตรงนี้ด้วยกันนะครับทีนี้อย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี <S <s uh ่ยนะครับอย่างหนึ่งที่ที่ผมเห็นเลยนะฮะว่าทุกคนเนี่ยคือแบบผมเข้าใจแหละว่าว่าเงินที่เราจ่ายลงไปเนี่ยบางคนก็เพิ่งทำเนาะ บางคนก็อาจจะ ย, ยังไม่มีคนเลยบางคนก็อาจจะอยู่ในโปรเซสของความยังไม่เข้าใจอยู่นะครับอยากให้ใจเย็นๆแล้วค่อยๆศึกษานะครับทำแบบมืออาชีพนะครับไว้ใจผมไว้ใจคนที่ชวนท่านมานะครับศึกษาจากข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้เชื่อข้อเท็จจริงให้เชื่อหัวใจตัวเองนะครับอย่าเชื่อจากอารมณ์อย่าเชื่อจากข้อคิดเห็นนะครับให้คุณเชื่อหัวใจตัวเองว่าวันนี้ตัวเพจ QQ วอ่ะมันจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะ เพย์คิวคิวยังไม่จบแค่นี้มันจะพัฒนาไปอีกนะฮะอีกหน่อยผมบอกเลยครับว่ามันจะมีรายได้อีกหลายช่องทาง ท, างที่เข้ามาที่คุณเนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้ได้จากการจากการใช้งานของคุณในชีวิตประจําวันนี่แหละนะครับโอเคนะครับฉะนั้นนะฮะผมก็ขอขอบคุณนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่เอาลงยู u ูบนะฮะสำหรับใครที่ ที่ไม่ได้ดูตอนต้นนะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปนี้ไปเนี่ยแล้วคุณก็ไปรีเวิร์สดูตอนต้นด้วยนะครับทําความเข้าใจนะครับก่อนที่จะสื่อสารนะครับโอเคนะฮะถ้างั้นวันนี้สวัสดีครับ